นี่มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโสพิตะบ้างในหน้า393สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าเรวตัตนะคือในกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์องค์ที่หนึ่งมังคละองค์ที่ 2, สองสมณะองค์ที่สมเรวัตตะองค์ที่สี่โสพิตะเนี่ยนะกลับนี้ชื่อว่ามีพุทธเจ้ามากนะตั้งสี่องค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระเรวตตะนั้นองค์สุดท้ายในกลับนั้น บอกว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าเรวตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระนามวาโสพิตะผู้นำโลกผู้ตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิอั ป, ปนาสมาธิ น, นะมีจิตสงบไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบอันนี้เป็นพุทธคุณโดยย่อโดยสังเขปผู้นำโลกผู้ตั้งผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตสงบไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเปรียบ พระชนะผู้ชนะมารทั้งห้าพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงกลับพระหาฤทัยในนิเวศของพระองค์หมายคาอว่ามีใจหมุนกลับจากกามในบ้านเลยในวังเลยแหละทรงบรลลุพระโพธิญาณสิ้นเชิงทรงประกาศพระธรรมจักรถ้าพูดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบวชนะพระพุทธเจ้าองค์นี้พิเศษที่สุดพระพุทธเจ้าโสพิตะกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่ พระองค์ตรัสรู้สิ้นเชิงแล้วก็ประกาศธรรมจักตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นไปตั้งแต่ภวะกัพรมลงมาในระหว่างนี้ได้เป็นบริษัทหมู่เดียวกันเพราะการแสดงคำแปลว่าพระองค์เสียงของพระองค์เนี่ยบรลือลั่นตากอเวจีลั่นไปจนถึงภวะกัพรมนนเนเสียงของพระองค์ดังขนาดนั้นแต่เสียงที่ดังแต่เพราะเนี่ยนะนิ่มนวลเหมือนกับว่าฟังเสียงปกติแต่ว่าได้ยินทั่วๆกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรในถ้ำกลางบริษัทหมู่นั้นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งนับไม่ได้ด้วยจํานวนผูตรร้ตรัสรู้ตรัสรู้เยอะจนนับไม่ได้เนี่ยนะพวกเรามันหลุดได้ยังไงยังององางนั้นกันนะไม่น่าเชื่อนะตะขายบอกโอ้ยติดครั้งนี้ติดมาเยอะมากไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยนะบอกบัญชีอะไรนะบอกว่าค่ารายชื่อผู้โชคดีเนี่ยนะหนะ้าสิบหกสิบหน้าหนังสือพิมพ์มีเต้ไปหมดเลยไม่น่าเชื่อไม่มีแม้รอดไม่ได้ยังไงไม่ทราบ มีชื่อเราอยู่ด้วยในนั้นเลยอย่างเงี้ยนะเรื่องนะหลุดไม่ได้ยังไงเนี่ยเรื่องนั้นเขาบอกว่าจํานวนผู้ตรัสรู้นั้นหาประมาณไม่ได้เมื่อพระโสดพิตะพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งนั้นคือครั้งหลังเนี่ยก็มีการประชุมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมยิ่งใหญ่ครั้งที่สองได้มีแก่ ม, มนุษย์และเทวดาเก้าหมื่นโกดต่อมาอีก เจ้าราชบดพระนามว่าชัยเสนทรงได้สร้างพระอารามมอบถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระผู้มีพระจักสุเมื่อทรงสรนเสริญการบริจาคทานสแสดงอ น, นิสงค์ของการให้เสนาสะนะเป็นทานก็สแสดงธรรมโปรโดเจ้าราชบดพระองค์นั้นครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่สก็ได้มีแกสัตย์พันโกดก็คือทุ่มเทศีสละในการสร้างวิหารสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชานั่นเอง แล้วก็อนุโมทนาธรรมอนุโมทนากระถาที่ได้สร้างวัดสร้างนาครสร้างวัดเนี่ยนะเป็นพุทธบูชานั้นก็มีผู้ตรัสรู้ผันโกฏพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชมุมสาวกอรหันตะขีนาศพผู้ไร้มนทินปราศจากความเศร้าหมองผู้มีจิตสงบคงที่สามครั้งนะสาวกสันนิบาตสามครั้งนะ ของพระพุทธเจ้าของเรามีครั้งเดียวนะที่วันมาฆะปุรมีเนี่ยนะวันมาฆาบูชาครั้งเดียวพูดถึงพระพุทธเจ้าโสพิตะมีสมครั้งครั้งแรกบอกว่าพระราชาพระนาวา่าอุคตะพระองค์นั้นถวายทานแด่พระผู้เป็นยอดแห่งนรชนในทานนั้นพระอรหัน ร, ร้อยโกรธก็มาประชุมกันต่อมาอีกหมู่คณะธรรมคณะเนี่ยนะคณะนี้ถวายทานแด่พระผู้เป็นยอดแห่งนรชน การประชุมครั้งที่2ก็ได้มีแก่พระอรหันต์เกโสดเนี่ยนะประชาชนอุ่นน้ำฝาข้างมาร่วมกันทําบุญพระองค์ก็แสดงธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็โอวาทปาติโมกเลยครั้งนั้นพระชินะพุทธเจ้าจําปัญสารเทวโลกเสด็จลงจากเทวโลกการประชุมครั้งที่สก็ได้มีแก่พระอาหารหนะันต์ประมาณ80โกดอย่างสมัยที่พระองค์ลงจากสวรรค์ชั้นดาววดึงเนี่ยคนมาเยอะนะแม้กระทั่งที่เมืองสังกัสร์เนี่ยประชาชนมาม า, มาก เทวดาและมนุษย์ก็มากนะเทวดาเป็นหมื่นจักรวาลมาประชุมกันย้อนกลับมาในสมัยพระพุทธเจ้าโสภิตะอีกครั้งว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพรามชื่อว่าสุชาตะและเกิดมาดีเหมนครั้งนั้นเราได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกให้อิ่มหนำสาราญด้วยข้าวน้า นนะก็ยกเป็นประธานนะนะข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมาลาเป็นต้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งถวายจีวรอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็เพศสัตว์ทั้งหลาย น, นะบูชาสแสวงหารูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีตลอดจนถึงธรรมรมโอชาอะไรที่มันมีประโยชน์นี้เป็นเครื่องบูชาพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้นาโลกพระองค์นั้นทรงพยากรเราว่า ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณมิได้นับแต่กลับนี้ไปก็คืออีกสองอสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตคือพระพุพะพพะพทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรมทรง ต, งตั้งความเพียรรมทุกขกิริยาพระตถาคตประทับนั่งนโคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าวมาทุกปลายาธ ในที่นั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปยายญาณนารีมฝังแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้วเข้าไปที่โคนโรพพฤกต่อจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทำประทักศิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรุณนะโคนโรพพฤกชวัสสัต t ะ ท่านจกมีพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมหามายาพระชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้คือพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าจกมีพระนามว่าโคตมะพระอัครสาวกในนะข้างซ้ายข้างขวาชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น พระพุทธอุปถาคชื่อว่าอานันทะจากบำรุงพัชชินาพุทธเจ้าผู้นี้จริงๆแล้วพูดถึงอักรส า, าวกมหาสาวกผู้ต่ออุปถาคเนี่ยนะเมื่อสองอสงไขก่กว่าๆที่แล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นไม่มีอะไรเลยวางั้นเถอะไม่ไม่อยู่ในข่ายพยานเลยเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าในที่สุดก็ใครจะรู้เนาะว่าอนาคตผู้ใดจะเป็นเช่นใดเนี่ยนะใครจะรู้ว่าอ้าวอีกภาคหนึ่งอ้าวปรากฏตัวอยู่ที่เอเวจีเรียบร้อยแล้ว อีกภาคหนึ่งเอ้าอยู่พรหมโลกเป็นมหาพรหมอีกภาคหนึ่งเป็นโสดาสกธาคามีนะถ้าพระพุทธเจ้าจะรู้อุปนิสัยแล้วว่าผู้นี้ปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาเช่นนี้ที่ไปข้างหน้าของเขาคืออะไรเนะเพราะเขาดำเนินอยู่ในทางแห่งคติ5 ห, หรือทางเพื่อความพ้นจากคติพระองค์ให้รอบรู้เขาเหล่านั้นจริงๆว่าเขาปฏิบัติอยู่ในทางเพื่อใหถึงคติ5 ห, หรือพ้นจากคติทั้งห้านั่นเอง พระพุทธเจ้าก็เลยพยากรว่าถ้าเขาปฏิบัติเช่นนี้นะในที่สุดเขาจะเป็นพระอัครสาวกเนี่ยนะอย่างพระพุทธหรืออย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติตัวเช่นนี้ในที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เขาปฏิบัติเช่นนี้จะไปเป็นสาวกข้างซ้ายข้างขวา <c oughs> ผู้นี้จะไปเป็นพุทธอุปถากจะมีอัครสาวิกาเชื่อว่าพระเขมาพระอุบลวันนา <c oughs> ผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น พอพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นอัศสศถอะอัครอุปถาอุปถาโยมเป็นคารวาตชื่อว่าจิตตะและหัตถะอรวกะอุปถาไม้ต้องเป็นพระอนาคามีนะอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคตมะผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ณนะที่ประชุมที่ประชุมเทพพระโพธิสัตว์ ที่เป็นพรามใช่ว่าสุโชาตะทาบุญถวายทานนั้นเทวดาและมนุษย์ที่มาร่วมอยู่ณนะที่ตรงนั้นพอฟังพระดำรัดของพระโสพภิตะพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็พากันปลาบปลื้มดีใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธังกูลเป็นหน่อเนื้อของผู้ที่จะตรัสรู้หรือว่าเชื้อไขของผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยนะ หม่นโลกกระธาตุทั้งเทวโลกก็พากันส่งเสียงโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงบันเทิงประคองอันเฉลีนมัสการเรียกว่ายกมือคือเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์เนี่ยนะโอ้ดีใจกันมากทำการนบยกมือนอบน้อมกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่ า, านะก็เรียกว่าเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกทาบทามาไว้ก่อนว่า ถ้าว่าพวกเรานะพลาดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละมนุษย์ทั้งหลายเ ห, ะนะเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำข้างหน้าถือเอาท่าน้ำข้างหลังพากันข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันใด เอาเถอะพวกเราทั้งหมดนะถ้าว่าผ่านพน้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภาพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์ฉุโสชาตะพราหมณ์ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ร่าเริงร่าเริงดีใจมากเลยนะปีติพ ย, ยดีใจปลื้มใจที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก็สลดใจสังเวชใจว่าเออเรานี้ยังประมาทนะยัง ประพฤติข้อปฏิบัติไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยได้เร่งทําความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อประโยชน์ น, นะเพื่อประโยชน์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจนะที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็สังเวชใจมากแม้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าโดยเฉพาะวรรณะพราหมชาติพราหมณ์ที่ร่ารวยมีทรัพย์มากเป็นมหาเศรษฐีด้วยเนี่ยนะคือเมาในฐานะว่าในบรรดาผู้ที่เรียนจบหมดทุกวิชาก็เรานี่แหละใช่ไหม บรรดาผู้มีทรัพย์มากกว่าเรามันในด้านวิชาในด้านโภกทรัพย์ในด้านชาติตระกูลรูปร่างผิวพรรณมันจะมีอะไรนอกจากอยู่ด้วยความหยิ่งพยองเท่านั้นเองพอได้ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าก็ดีใจที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่สังเวชใจที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็เลยเร่งสร้างความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกลาง้า สำหรับประวัติของพระพุทธเจ้าโสพิตะพระองค์นั้นเนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเมืองพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาพระอัครสาวกอุปทาอัครสาวิกาเห็นปุพภณิมิตการบำเพ็ญเพียรนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้ว่าพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระนครชุวสุธรรมะพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมะพระนางชนพระชนณีพระพุทธบิ พระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุธรรมาพระองค์ครองคารวาดวิสัยอยู่ 9,000 ปีทรงมีปราศาทเรือนยอดเนี่ยนะปราศาทที่พระองค์ประทับอาศัยสามหลังชื่อว่ากุมุทะนรินีปทุมะพระสนมนาตะนารีนนะัยิงงฟ้อนรำเป็นต้นเนี่ยแต่งกายงาม 43,000 นสาพันนางพระมเหสีชื่อว่าพระมักกีลาพระโอรสนามว่าีหะเนี่ยนะ ชื่อเสือเนี่ยนะลูกชายชื่อเสือชื่อราชสีงนนพระองค์ผู้เป็นยอดบุรุษทรงเห็นนิมิตสีก็อภินศสกลมออกบวชโดยปราศก็เรียกว่าปราศลอยไปโพที่มันทสศฐานเลยบำเพ็ญเพียรเจวันก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้น้อยที่สุดเนี่ยนะใช้เวลาเจวันเป็นพระพุทธเจ้าเลยแังว่าอินทร์บารมีแก่กลางมาก พระโสดพิตะมหาวีระผู้กล้วกล้าพระองค์นั้นผู้นำโลกผู้สงบอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรณสุธรรมราตุทยานอันยกดเยี่ยมพระอัครสาวกของพระองค์ชื่อว่าอสมะไม่มีผู้ใดเสมอและพระสุเนตะก็เรียกว่าตาสวยพระองค์หนึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระตาสวยเหมือนพระสุเนตเนี่ยนะสุเนตะพระพุทธอุปถาของพระองค์ชื่อว่า นั ก, กุลาและพระสุชาดาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรูโ้โครโพพฤกชื่อวต้นนาคากากะทิงเนี่ยนะต้นกากะทิงพระอัคราอุปถากชื่อว่ารัมมะและสุเนตะอัคราอุปถายิกาชื่อว่า น, นักกุลาและจิตตาพระมหามุนีมีพระสรีระสูงห้ศอกทรงส่ ง, รงพระศมีสว่างสวัยไป ทกทั่วอาทิตย์เนี่ยนะเหมือน ด, ดังดวงอาทิตย์ยามอุทัยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าป่าใหญ่มีดอกไม้บานอบอวลด้วยกลิ่นหอมนาน า, นานชนิดฉันใดป่าพุทธคือคําสอนของพระโสดพิตะพุทธเจ้าก็อบอวลด้วยกลิ่นคือศีลฉะนั้นแสดงว่ามีผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาท เพราะชื่อว่าศีลเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลเป็นเบื้องต้นแห่งอธิจิตอธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเพราะฉะนั้นกลิ่นศีลจึงหอมตลบแปลว่าพุทธบริษัททั้งหลายประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเปรียบเหมือนว่าขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรใครใครก็ไม่อิ่มด้วยการเห็นฉันใดคนที่เห็นทะเลอยากจะเห็นเพลินที่จะชมทะเลฉันใด ปาพจน์ของพระโสดพิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นใครใครก็ไม่อิ่มด้วยการฟังฉะนั้นทุกคนปลืม้มใจยินดีที่จะฟังธรรมมีความสุขในการฟังธรรมไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการฟังธรรมเพลินเหมือนเห็นทะเลฉะนั้นความนั้นในยุคนั้นมนุษย์มีอายุเก 90, ้าหมื่นปีพระโสดพิตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้น มันนะอายุยืนเป็นหลายหมื่นปีนี่แหละจึงสามารถช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคาสงสารพวกเราถ้ามีอายุสักเก้าหมืนปีไม่แน่นะแต่ปัญหาว่ามันจะถึงเก้าสิบปีหรือเปล่านี่แหละมันตัวเลขมันลดหวบขนาดนี้เลยนะเก้าหมืนปีเลขศูนเท่าไหร่เลขศูนย์ตั้งสี่ตัวเลขศูนย์สี่ตัวเลขศูนย์สี่ตัวชวนให้หลงนะเ <laughs> สร็จแล้ว ของเราเนี่ยลดมาเท่าไ ห, หร่เหลือตัวเดียว <c oughs> ดีไม่ดีมันจะแหมตัวเดียวต้องหารครึ่งอีกทีหนึ่งนี่เจนะต้องผ่าครึ่งอะนะเหมือนเขาบอกโอ้ยจนจนเขบอกว่าถึงขนานไหนบอกกินไขฟ่ฟองเดียวบอกฟองเดียวก็ยังดีนี่มันต้องครึ่งฟองอะนี่อย่างเงี้ยนะดีมันอะไรนะหารสามหารสี่กันนะเอาไข่มาผ่าเนี่ยนะบุญน้อยก็อย่างนี้แหละวย่างเง้นนี่ก็เหมือนกันอายุของพวกเราในใครที่จะเ ก, ก้าสิบปมุธทิตานุมโมทนาด้วยนะทําบุญมาดีมากเสบดีดไม่เคยเบียดเบียนสัตว์มา แต่ว่าผู้ที่เบียดเบียนสัตว์มานี่แม่จะอยู่จะอยู่ในสภาพไหนอาจจะยืนแต่แม่ยืนประเภทไหนก็ไม่รู้นะต้องเข็นล้อดเดินเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก, ก็ต้องหรือว่าอาจจะไปสามขาสี่ขาก็ได้เนี่ยก็กดึ๊บกทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยนะทั้งพระสาวกประธานโอวาทานุสาสนีแก่ชนที่เหลือคือพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าด้วยพระสาวกทั้งหลายด้วย ช่วยกันประทานโอวาทประทานเนี่แปลว่าให้ให้โอวาทคาสอนอนุศาสนีนะพร่ำสอนพร่ำสอนแสดงอริยสัจแก่ชนที่เหลือหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพานเหมือนไฟไหม้แล้วก็ดับไปเช่นั้นพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นด้วย เหล่าพระสาวกพูดถึงกําลังคือคือกําลังคือศีลเป็นต้นเหล่านั้นด้วยคือทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งนั้นก็อันตรทานสิน้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้มันตอนท้ายประกาศอริยศาสตร์อีกตามเดิมเนยนะที่จริงน่าจะดีใจโอยสังขารเอ้ยแมเพิ่งรู้จักนะเจ้านี่ก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความไม่จีิรังยั่งยืนหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลย ควรแล้วที่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารควรแล้วที่จะพ้นจากขันห้าสทีหนึ่งแะเรควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายตอนฟังธรรมมันน่าเบื่อแท้เนี่ยนะแต่เชื่อเหอะตอนมื้ออาหารที่อร่อยจริงๆเนี่ยนะเอาไว้ก่อนนะเนี่ยนะเขาบอกว่าควรแล้วสังขารที่จะเบื่อหน่ายนยะเจอบางเรื่องเข้าไปเนี่ยโอ้ยเบื่ อ, ห ร, อหรือชอบกันแน่แก็ ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธว่าไม่เบื่อเบื่อแต่ว่ายี่ี่ชั่วโมงเบื่อสักสองนาทียังไงนนะที่เหลือเพลินหมดเลยอย่างง น, นะก็บ่มเอากันแล้วกันให้มันได้เจ็วันนะนะก็ก็ถ้าเบื่อจริงเนี่ยนะไม่ใช่โทสะแต่ว่าเบื่อด้วยนิพพานุ ป, ปัสนาญาณเนี่ยนะเบื่อในขันห้าเหมือนกับคนที่มีซากสุนัขหรือว่าซากงูที่แขวนคออึดอัดชิงชังเอือมระอาเชนนั้นก็เหมือนกับบอกว่า ใจของข้าพเจ้ากายถึงจะอยู่ในบ้านก็จริงแต่ใจนี่คิดถึงแต่ป่ า, านะก็มีสมณีรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลบอกว่าถึงจะป่วยคืนนี้ก็จะขอคลานกลับป่าแล้ ว, ลวกันอยู่ไม่ได้แล้วนะบางองค์นีท่านเป็นอย่างนั้นบอกว่าถึงกายจะอยู่นะในนั้นก็จริงแต่ว่าใจก็ไม่ได้อยู่แล้วฉันใดพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีอุปนิสัยจะตรัสรู้ถึงจะอยู่กับสังขารแต่ใจเนี่ยพร้อมที่จะหลีกจาก สังขารถึงจะอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พร้อมที่จะหลีกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะมองเห็นขันห้าเหมือนซากศพที่แขวนคอฉะนั้นเนี่ยนะทั้งอยบริหารก็ยากเอาใจก็ยากไม่เชื่อเอาใจตัวเองดูนะวันนี้ทําสบายใจสักวันหนึ่งเธอนะไม่ทําเครียดมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้ขอมีความสุขแท้ๆสักวันหนึ่งเธอะ อ ย, อย่ากจะวิตกอยากังวลอย่าเดือดร้อนนะอย่าลําบากนะทําใจให้สบายสักวันหนึ่งมันสบายได้ไหมเนาะเนีย่นยนแต่สังขารมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าใครที่ไม่ได้อบรมอธิศีน อ, อธิจิตอทิปรรัญญาไม่ได้เจริญนิยานินกระทธรรมธรรมที่นําออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ตกอยู่ภายใต้รูปนะตกอยู่ภายใต้อํานาจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็แปลว่า อยู่ภายใต้อำนาจแห่งทุกข์แล้วแต่ทุกข์เนี่ยจะฉุดลากพาไปสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะพระองค์ผู้ประเสริฐนั้นเสด็จดับขันปริณิพานณพระวิหารสีหารามพระบรมธาตุแผ่กระจายเป็นส่วนส่วนไปในที่นั้นนี้นนองค์ที่สองนะที่พระาธาตุกระจายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นก็พระาธาตุกระจายเนี่ยนะให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรับไปบูชา เช่นพระโลมาธาตุคนทั้งหลายก็ตามจากักรวเทวดาตามจักรวาลต่างๆก็นำไปบูชาพระเกศาธาตุตามจักรวะเทวดาตามจักรวาลต่างๆตามที่ต่างๆก็เอาไปบูชาส่วนพระธาตุเช่นอัฐิธาตุก็ตามสมควรว่าพระธาตุประดิษฐานณที่ใดเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธาตุทั้งหลายก็ประดิษฐานอยู่ณที่นั้นในอัตถกถา พุทธวงศ์เนี่ยนะมะทัทรัฐวิลาสินีกล่าวถึงวงของพระพุทธเจ้าโสพิตะโดยสังเขพ่าสมัยหลังเนี่ยนะคือภายหลังสมัยจากพระพุทธเจ้าเรวตตพระองค์นั้นผ่านไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระเรวตะนี้มีพระชนมายุเท่าไหร่หกหมื่นปีเนี่ยนะ พระเ ว, วต่าพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุประมาณ 60,000 ปีอายุก็ลดลงเหลือ10ปีแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงมนุษย์ยุคสมัยอายุประมาณเท่าไหร่พระสโสพิตาพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ 90,000 ปีเนี่ยนะเนี่ย น, นะก็ <S <S <S คือจากอายุเนี่ยนะหกหมื 60, ปีแล้วลดลดลดลจนเหลือ10ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นจนเป็นอสองขัยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ 90้าหมปีเนี่ยนะตอนที่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตณที่นั้นแล้วจนครบอายุในสวรรค์ชั้นดุสิตอันทวยเทพอ้อนวอนอาราธนาเชื้อเชิญพระองค์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในพระครันของพระนางสุธรรมาเทวีในราชสะกุลของพระเจ้าสุธรรมราชในสุธรรมนคร เพราะเมืองนี้ธรรมะดีใครที่อยู่เมืองนี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรม